วันนี้พวกเราก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมฟังเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เห็นแบบตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเช่น เห็นแมวเป็นสุนัขอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ไม่ตรงกับความจริงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าแมวเป็นสุนัขความเห็นที่ถูกต้องก็คือการเห็นแมวเป็นแมวการเห็นสุนัขเป็นสุนัขถึงจะถูกต้องเหมือนเมื่อสมัยก่อน ที่ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนโบราณก็จะคิดว่าโลกนิบัติความเห็นว่าโลกนิบัติก็เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่ตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงนี้โลกมันกลมเราสามารถที่จะนั่งเรือออกไปในทะเลได้ และเมื่อไปสุดขอบของทะเลก็จะไม่ตกออกจากโลกนี้ไปเพราะมันยังจะมีทะเลหรือมีฝั่งรออยู่ข้างหน้าที่เรามองไม่เห็นเพราะโลกมันกลมโลกมันโคง้งส่วนที่โค้งลงไปเรามองไม่เห็นกันเราก็เลยไปคิดว่าโลกนี้แบนอันนี้ก็เป็น ตัวอย่างของความเห็นที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงพวกเราก็มีความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงอยู่สามประการด้วยกันที่พระพุทธศาสนาจะมาสอนให้พวกเราได้มีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงกัน ของอะไรคือสิ่งที่เราเห็นไม่ตรงกับความเป็นจริงคือหนึ่งเราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เที่ยงซึ่งความเป็นจริงแล้วสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ มีการเจริญมีการเสื่อมมีการเกิดมีการดับความเห็นที่ผิดนี้จะเห็นว่าะจะอยู่ไปเรื่อยๆจะเป็นเหมือนเดิมอันนี้ไม่ใช่เป็นความที่ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้นจะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งที่มีการเจริญ ยอมมีการเสรื่อมไปเป็นธรรมดา น, นี่คือความเห็นที่ไม่ถูกต้องกับความเห็นที่ถูกต้องเราจะเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงกัน น, นี่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือเราต้องเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นไม่เที่ยง ถึงจะถูกเหมือนกับเห็นโลกกลมเห็นโลกกลมว่าโลกกลมไม่ใช่โลกแบนฉันใดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันโลกสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะไม่อยู่ไปอย่างเหมือนเดิมไป ต, ตลอดเวลาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป มีทั้งเปลี่ยนไปทางลบเปลี่ยนไปทางบวกเปลี่ยนไปทางบวกเราก็เรียกว่าเจาริญเปลี่ยนไปทางลบเราก็เรียกว่าเสื่อมอันนี้คือข้อที่หนึ่งคือความเห็นที่เราเห็นไม่ถูกต้องกันเรามักจะเห็นว่าสิ่งที่เราไปอยู่นิเที่ยงจะอยู่กับเราไปเรื่อยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีการดับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆของใหม่ของที่เราได้มาตอนต้นก็ใหม่พออยู่กับเราไปสักพักต่อไปมันก็กลายเป็นของเก่าไปกลายเป็นของเสียไปนี่คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญก็มีการเสื่อมมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเราต้องมาเปลี่ยนความเห็นของเราใหม่ เวลาที่เรามีอะไรได้อะไรมาเราต้องคิดอยู่ว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีวันที่จะต้องมีการจากเราไปมีการมาก็มีการไปสักวันหนึ่งของต่างๆที่เรามีกันอยู่ในโลกที่เรามีกันนี้สักวันหนึ่งเราก็จะต้อง พัดพากจากของทุกอย่างไป เ, เวลาเรามาเกิดเราก็ไม่มีอะไรติดตัวมาเรามาด้วยใจเปล่าๆคือผู้รู้ผู้คิดคือใจ เ, ออเรามากับผู้รู้ผู้คิดไม่มีอะไรติดตัวเรามาออออพอเรามาเราก็มาได้ร่างกายจากพ่อแม่ ร่างกายที่เราได้จากพ่อแม่ก็ไม่ไม่เที่ยงมีการเกิดมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายเป็นธรรมดามีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการเสื่อมเวลาเสื่อมก็เรียกว่าแก่เจ็บตายเวลาตายก็เรียกว่าดับร่างกายนี้ก็มีเกิดมีดับ เรามานี่เราไม่มีอะไรติดตัวมาเรามาแล้วเราก็ได้ร่างกายพอเราได้ร่างกายแล้วเราก็ใช้ร่างกายนี้ไปหาสิ่งอื่นๆต่อเช่นเราก็ไปหาเงินทองกันพอเราจเจริญเติบโตไปทำงานทำมาหากินได้เราก็ไปหาเงินหาทองส่วนหนึ่งก็เอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เราก็ต้องมีบ้านมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคมีอาหารของพวกนี้เราได้มาใช้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็หมดสภาพไปหรือหมดไปอาหารซื้อมากินเสร็จมันก็หมดไปก็ต้องไปซื้อใหม่มาเกินเสื้อผ้าซื้อมาแล้วใส่ไปเดี๋ยวมันก็ขาด ก็ต้องซื้อใหม่บ้านที่เราซื้อมาสร้างขึ้นมาใช้ไปต่อไปมันก็เก่ามันก็พังก็ต้องย้ายบ้านใหม่เปลี่ยนบ้านใหม่ของทุกอย่างที่เราหาได้ในโลกนี้ด้วยร่างกายของเราเนี่มันไม่เที่ยงทั้งนั้นมันเป็นของชั่วคราวมันมีวันหมดสภาพ เหมือนกับของที่เราซื้อเช่นอาหารหรือยาเครื่องใชน้นี่เขาจะมีเขียนวันที่ไว้ว่ า, าจะหมดอายุหมดสภาพยารักษาโรคต้องรับประทานภายในวันที่เขากำหนดอายุไว้ถ้าหลังจากวันนั้นแล้วยาก็จะหมดสภาพไม่สามารถใช้รักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้ และอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้นี่เพราะว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันจะต้องไม่มีวันหมดอายุสามารถใช้ไปได้ตลอดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะใช้มันไปได้ตลอดมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันดับ <c oughs> นี่คือความเห็นที่ถูกต้อง คือความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องมีการจากกันไปเราไม่จากเขาไปเขาก็จากเราไปพอเวลาที่ร่างกายเราแก่เจ็บตายไปของต่างๆที่เราหามาได้ด้วยร่างกายอันนี้ก็จะต้องหมดจากเราไปอเวลาตายไปเราเอาอะไรไปไม่ได้ ทรัพสมบัติเก้าของเงินทองต่างๆที่เราหามาได้ถ้าเป็นแทบตายก็จะต้องหมดไปกลายเป็นของคนอื่นไปบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นหลานเป็นเหลนเป็นญาติสนิทมิตรหายบิดามารดาปู่ย่าตายายล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้น ต้องมีการพลาดพลาคจากกันนี่คือเรื่องของความเห็นที่ถูกต้องคือต้องเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจเป็นอนิจจังไม่เที่ยงล้วเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจของเราก็เกิดจากการที่เราไปอยากให้สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในเที่ยงนั่นเองเรามีอะไรเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยเป็นของเราไปเรื่อยไม่มีวันจากเราไปแต่พอมันจากเราไปเราก็เสียใจความเสียใจนี้ก็เรียกว่าทุกข์ยันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานี้ ที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นความทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงนั่นเองเวลาเราได้อะไรมาเราก็ดีใจมีได้เงินทองมาเราก็ดีใจกันมีความสุขกันเราก็จะไปเห็นว่าการมีเงินทองการได้เงินทองนี้เป็นความสุขกันแต่เรามองไม่เห็นวันที่เงินทองมันหมด เวลาเงินทองมันหมดนี่ความสุขที่เราได้จากเงินทองก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอังนั้นการที่เห็นว่าเงินทองเป็นสุขนี่เรียกว่าเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องต้องมองว่าเงินทองนี่เป็นทุกข์เพราะว่าเงินทองมันก็ไม่เที่ยงมันมีมาได้มันก็มีหมดได้ เวลามันหมดมันก็จะทำให้เราทุกข์กันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องสอนใจเราให้รู้ว่ามันสุขหรือมันทุกข์มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงพระวุทธเจ้าบอกว่าลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรานี่คือ คุณสมบัติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราแสวงหากันเพราะเรามีความเห็นที่ไม่ถูกต้องนั่นเองเราไปเห็นว่ามันเที่ยงมันให้ความสุขกับเรามันจะเป็นของเราไปตลอดเราจึงต้องมาทุกข์กันเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเรามันจะไม่เป็นของเราไปตลอด มันจะเป็นของเราเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเวลาที่มันอยู่กับเรามันก็เป็นของเราเวลาที่มันจากเราไปหรือเวลาที่เราจากมันจากเราไปเราจากมันไปมันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วนี่คือความเห็นที่ไม่ถูกต้องเราเห็นว่าลาบยศสรรเสริญเห็นว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ เที่ยงได้มาแล้วจะเป็นของเราไปตลอดจะอยู่กับเราไปตลอดจะไม่มีวันจากเราไปแต่พอมันจากเราไปความสุขที่เราได้จากมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันจะต้องมีวันดับมีวันจบ มีวันสิ้นสุดมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราเพียงชั่วคราวถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากได้มันเราควรที่จะอย่าไปยุ่งกับมันถ้าเราไม่ยุ่งกับราบยศสรรเสริญไม่ยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเราจะไม่ทุกข์ เวลามันจเจริญหรือเวลามันเสื่อมมันก็จะไม่ได้ทำให้เราสุขหรือทุกข์แต่อย่างใดอันนี้ตอนที่เราเป็นเด็กๆนี้เราไม่ค่อยมีความทุกข์กับเรื่องลาบยศสรรเสริญเท่าไหร่เพราะเราไม่ต้องใช้เงินมีพ่อแม่เป็นคนหาเงินหาอะไรต่างๆมาให้เรา เรามีเงินหรือไม่มีเงินตอนนั้นเราก็ไม่ทุกข์กันแต่พอเราโตขึ้นมาเราต้องใช้เงินไปซื้อข้าวของอะไรต่างๆเราจึงมาทุกข์กับเงินเวลาที่เงินมันขาดมือเวลาที่เงินทองไม่พอใช้เพราะเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขที่แบบแบบที่ไม่ต้องใช้เงินทองกัน พวกเราทุกคนเกิดมาถูกสอนให้หาความสุขจากการใช้เงินทองกันเราเลยต้องทุกข์กับเรื่องของเงินทองกันต้องพยายามหาเงินหาทองเวลาหาเงินหาทองก็ทุกข์ว่าการหาเงินก็ไม่ใช่เป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้บางทีก็หาได้มาก บางทีก็หาได้น้อยก็มีความทุกข์ทุกในการหาเงินทองแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาเงินทองเพราะเราต้องพึ่งเงินทองเราก็เลยต้องรักษาเงินทองไว้ให้ดีไม่ให้มันหายไปเราก็ต้องมากังวลเพราะว่าถึงแม้เราจะรักษา เงินทองไว้ให้ดีขนาดไหนโอกาสที่มันจะสูญหายไปมันก็ยังมีอยู่เวลาเกิดมีขโมยขึ้นมาขโมยเงินทองของเรามันก็ทำให้เราทุกข์กันเวลาไปฝากเงินไว้ในธนาคารเกิดธนาคารลน้มลงไปเงินทองเราก็หมดไปมันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันทุกข์เพราะมันไม่มีความแน่นอน เงินทองนี้มันไม่แน่นอนมันจะอยู่กับเราได้ไปนานสักเท่าไหร่มันจะขึ้นหรือมันจะลงเราก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้ไปห้ามมันได้คาว่าอนัตตาก็คือเราไม่สามารถไปสั่งมันได้ไปห้ามมันได้มันจะขึ้นมันก็ขึ้นเวลามันจะลงมันก็ลงเวลามันจะหมดมันก็หมด ถ้าเราไปพึ่งเงินทองเราก็จะต้องทุกข์กับมั น, เ, นเช่นเดียวกับยศคือตำแหน่งต่างๆตาแหน่งเวลาเราได้ตำแหน่งเราก็ดีใจกันแต่ตำแหน่งมันก็ไม่เป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนมีขึ้นได้ก็มีลงได้บางทีก็ถูกปลดออกจากตำแหน่ง ได้ตาแหน่งนี้มาแล้วเดี๋ยวก็อาจจะมีเหตุทําให้ต้องถูกปลดไปมีขึ้นมีเจริญมีเสื่อมอสรรเสริญก็เหมือนกันสรรเสริญก็คือความยกย่องเยินย อ, อเวลาเราได้ยินใครเขาพูดยกย่องสรรเสริญเยินยอเราเราก็มีความสุขกันแต่บางเวลา เวลาที่เขาไม่ชอบเราเวลาที่เขาโกรธเราเขาก็ข้อลหานินทาเราเราก็ไม่สบายใจเวลาที่เราได้ยินคำข้อลหานินทาเพราะเราอยากจะให้เขาสรรเสริญไม่อยากให้เขาข้อลหานินทาเราก็เลยทุกข์กับคำสรรเสริญนินทาเพราะมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีคำสรรเสริญนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอไม่มีใครเ็าจะสรรเสริญเราไปตลอดเวลามันดีคืินดีเขาก็อาจจะคาะหานินทาเราแทนสรรเสริญเราก็ได้นี่ก็คือความไม่เที่ยงความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เที่ยงเหมือนกันรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะที่เราเสพกัน มันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่แน่นอนบางทีก็ได้เสพบางทีก็ไม่ได้เสพเวลาได้เสพก็มีความสุขเวลาไม่ได้เสพก็มีความทุกข์เวลาที่เราได้ดูอะไรที่เราชอบเราก็มีความสุขเวลาที่เราอยากจะดูที่เราชอบแต่เราไม่ได้ดูมันก็เป็นความทุกข์ขึ้นมา พราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราไม่สามารถสั่งให้มันมาได้ตลอดเวลาบางเวลามันก็ไม่มาบางเวลามันก็ไม่มีพอเวลาไม่มีความสุขที่เราได้จากมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ดนั้นโดยสรุปแล้วถ้าเราไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะต้องเจอความทุกข์กัน เพราะนี่คือธรรมชาติของลาบยศสรรเสริญของความสุขทางตาหูจมกูกเล่นกายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ได้เป็นของเรามันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราเราไม่สามารถควบคุมบังคับไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราตลอดเวลาบางเวลามันก็ให้ความทุกข์กับเรานี่คือเรื่องของ ความเห็นที่ถูกต้องเราต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกน่นี่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะมันไม่เที่ยงบางทีมันก็มาบางทีมันก็ไม่มาเวลามันไม่มาความสุขที่ได้จากมันก็หายไป ความทุกข <wszystkich inconsistent. S 2> ์ก็จะเข้ามาแทนที่ถ้าเราไม่อยากจะเจอความทุกข์เราก็ต้องไม่ไปยุ่งกับของเหล่านี้สิ่งเหล่านี้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือไม่ไปยุ่งกับลาบยศสรรเสริญไม่ไปยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสผดเถาะคนที่ไม่ไปยุ่งกับลาบยศสรรเสริญไม่ไปยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสผดเถะก็จะไม่มีความทุกข์ คนที่ไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้ก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละพระอาหารหันตาสาวกนี่แหละท่านเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องท่านเห็นว่าราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับสั่งมันให้ ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลามันจะต้องมีเวลาที่มันจะไม่ตอบสนองความต้องการของเราพระพุทธเจ้ากับพระอนันตสาวกท่านจึงไม่ไปยุ่งกับลาบยศสารเสริญไม่ไปยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสผธพภะเมื่อท่านไม่ยุง่งท่านก็เลยไม่ต้องทุกข์กับมันวิธีที่ทาให้ท่านไม่ต้องมายุ่งกับลาบยศสารเสริญ กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือการไปหาความสุขเอกรูปแบบหนึ่งนั่นเองการที่เราจะมาหาความสุขจากลาบยศสละเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถะ พ, พะจากบุคลบคลต่างๆจากสิ่งต่างๆที่พวกเรากำลังหากันอยู่นี่เราลองมาเปลี่ยนหาความสุขเกีกรูปแบบหนึ่งกัน ความสุขที่ไม่ต้องยุ่งกับเรื่องของลาบยศสรรเสริญไม่ต้องยุ่งกับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะไม่ต้องยุ่งกับ ян, คนนั้นคนนี้ไม่ต้องยุ่งกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เอความสุขท e ี่ไม่ต้องยุ่งกับเรื่องราวเหล่านี้ก็คือความสุขใจที่เกิดจากการทําใจให้สงบนี่เองอความสุขใจที่เกิดจากความสงบนี้ เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสนะพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่านัตติสันติพลังสุขขังไม่มีสุขอันใดในโลกนี้ที่จะเหนือความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะเป็นความสุขที่ทเชี่ยงแท้แน่นอน เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เป็นความสุขที่เราสั่งได้ควบคุมได้ถ้าเรารู้จักทาใจให้สงบแล้วเราจะสามารถทำใจให้สงบไปได้ตลอดใจสงบความสุขก็จะเกิดขึ้นนี่แหละคือวิธีที่จะทำให้เราเลิกหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้พอเราเลิกหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดพะะเราก็จะไม่ต้องเจอความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้ต่อไปถ้าตราบใดเรายังต้องหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพะละอยู่เราก็ยังจะต้องเจอความทุกข์อยู่เวลาที่ลาบมันเสื่อมเวลาที่ยศมันเสื่อม เวลาที่สรรเสริญกลายเป็นนินทาข้อรหานินทาครับเวลาที่ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมันหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอถ้าเราไม่อยากจะเจอความทุกข์เราก็ต้องทําแบบพระพุทธเจ้าทําแบบพระอาหารหันตสาวกคือไปปฏิบัติธรรมไปสร้างความสุขทางใจะ ไปทาใจให้สงบการปฏิบัติธรรมก็คือสร้างธรรมะที่จะมาทําใจให้สงบธรรมะที่จะทําให้ใจสงบก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญา <c oughs> ใจของเราจะสงบอย่างถาวรจะสงบไปตลอดอ ถ้าใจสงบแล้วใจจะไม่มีวันทุกข์ใจทุกข์เพราะว่าใจไม่สงบเวลาใจไม่สงบนี้ใจจะมีความอยากพอมีความอยากใจก็จะสั่นขึ้นมาใจก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาแล้วพอไปทำตามความอยากใจก็จะหายสั่นชั่วคราวพออยากได้อะไรพอได้สิ่งที่อยากได้มาใจก็จะหายสั่น แต่จะหายสันไม่นานเดี๋ยวความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าใจไม่สงบนี้ความอยากมันจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับ เ, เหมือนกับคลื่นในทะเลนี่คลื่นในทะเลนี่มันจะซัดเข้าเข้าฝั่งมาเป็นละลอกละลอกกินลูกนี้ซัดเข้ามาแล้วก็มีลูกที่สองซัดเข้ามาต่อลูกที่สามลูกที่สี่ เ, เ, เ, เไปนั่งที่ชายทะเลดูจะเห็นมีคลื่น เข้ามากระทบฝังอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดจะไม่มีคลื่นก็นเฉพาะเวลาที่ท้องทะเลมันสงบเวลาทะเลสงบนี้เวลาน้ำนิ่งในทะเลจะไม่มีคลื่นใจก็เหมือนกับทะเลนี่เวลาใจสงบนี้ใจจะไม่มีความอยากพอไม่มีความอยากใจก็จะไม่สั่นใจก็จะไม่ทุกข์แต่พอเวลา ใจไม่สงบขึ้นมาเนี่ยใจก็จะสัน่นเพราะจะเกิดความอยากต่างๆตามมาเป็นระลอกระลอกเหมือนกับน้าในท้องทะเลเวลาท้องทะเลนี่นิ่งเวลาน้ำมันสงบน้ำมันนิ่งนี่ไม่มีคลื่นไม่มีกระแสคลื่นเลยไม่มีลูกคลื่นแต่พอเวลาที่มันไม่สงบเช่นเวลามีลมมีพายุ ก็จะมีคลื่นไหลเข้ามาเข้ามากระทบฝั่งเป็นลูกๆไปการที่เราจะทำให้ใจเรามีความสุขเราต้องทำใจของเราให้สงบเหมือนกับน้ำน้ำที่นิ่งน้ำน้ำนิ่งมันก็จะไม่มีลูกคลื่นใจสงบใจก็จะไม่มีความอยากอพอไม่มีความอยากใจก็จะไม่สัน่นใจก็จะไม่ทุกข์ เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่เราจะได้มาทำใจให้สงบกันเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการที่จะทำใจให้สงบก็คือการรักษาศีลการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญาถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถควบคุมใจของเราให้สงบได้ตลอดเวลา ทำให้ใจของเรานี้ไม่มีความอยากไม่มีความสันไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขตลอดเวลานี่คือการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าส่งค้นพบวิธีหาความสุขในรูปแบบใหม่ก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะมาค้นพบวิธีนี้ไม่มีใครในโลกนี้รู้จากการหาความสุข ในวิธีแบบนี้ได้กันทุกคนก็หาความสุขที่กลายเป็นความทุกข์กันก็หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะกันหาความสุขจากคนนั้นคนนี้หาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้กันแต่สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้มันไม่เที่ยงมัน มันมีได้แล้วเดี๋ยวมันก็ดับได้มีเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับมีมาแล้วเดี๋ยวก็มีไปมีขึ้นเดี๋ยวก็มีลงเวลามันขึ้นก็ ม, ก living, มันก็ให้ความสุขกับเราเวลามันลงมันก็ให้ความทุกข์กับเราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เคยหาความสุขแบบนี้มาก่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นเจ้าชายศสด็สทัตตะเป็นพระราชกุมาร ก็มีลาบยศสรรสเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างมากมายมากมายกับพวกเรามีกันอยู่ขณะนี้ท่านมีประสาทสามดุดูถ้าเปรียบสมัยนี้ก็เหมือนมีขรอรหาัสสามหลังหลังลนหนึ่งไว้ในเมืองหลังลนหนึ่งไว้ในชายทะเลหลังลนหนึ่งไว้ในรีสอร์ทในภูเขา เปลี่ยนเวลาฤลือดูร้อนก็ไปอยู่ที่หนึ่งเลือดดูหนาวก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งแต่ความสุขแบบนี้ก็ไม่น่านอนเวลาที่ไม่มีบ้านเหล่านี้อยู่มันก็กลายเป็นความทุกข์ไปถ้าเกิดเราไม่มีเงินที่จะดูแลรักษาเราก็อาจจะต้องขายบ้านเหล่านี้ไปเวลาขายไปเราก็ทุกข์กันเสียได้เสียของไป อันนี้ก็คือความสุขที่พระพุทธเจ้าสัมผัสและท่านมีสัมมาทิฏฐิท่านมีปัญญาท่านมีความเห็นที่ถูกต้องท่านเห็นว่ามันเป็นการหาความทุกข์กันไม่ใช่เป็นการหาความสุขกันเวลาได้มามันสุขแต่เวลามันหมดไปนี่มันทุกข์พระพุทธเจ้าก็เลยอยากจะหาวิธีใหม่วิธีที่จะทําให้ไม่ต้องทุกข์กัน ท่านก็ไปเห็นนักบวชนะก็เลยอยากจะไปหาความสุขแบบนักบวชนะนักบวชเขาจะหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสผลพรนะเพราะมันเป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขนะถ้าหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลพระ ก็จะต้องเจอความทุกข์กันอ ย, อย่างแน่นอนตอนต้นก็เป็นความสุขแต่ตอนปลายมันจะกลายเป็นความทุกข์เวลาเราแก่เวลาเราเจ็บเวลาเราตายนี่ลาบยศสรรเสริญต่างๆที่เรามีอยู่รูปเสียงกลิ่นรสปุถุพัสตต่างๆที่เรามีอยู่นี่เราก็จะต้องเสียมันไปหมดเวลานั้นเราก็จะทุกข์กันเราจึงไม่ชอบความแก่ เราจึงไม่ชอบความเจ็บเราจึงไม่ชอบความตายกันเพราะว่าเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายเราไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพภะภได้นั่นเองนี่คือความเห็นที่ถูกต้องกับความเห็นที่ไม่ถูกต้องอถ้าเราเห็นว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลทพภะภนี้เป็นความสุข เรียกว่าเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิเนีถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อมมีมามีไปอแล้วเราก็ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ ที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันอยู่กับเรากับเราไปตลอดดีกับเราไปตลอดมันจะต้องมีวันที่ไม่ดีกับเรามันจะต้องมีวันที่มันจะจากเราไปนี่คือความเห็นที่ถูกต้องคือความเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ความสุขต่างๆที่เราหากันในโลกนี้มันเป็นความทุกข์กันไม่ใช่เป็นความสุขกัน เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้ถ้าเราเห็นถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะเลิกหาราบยศเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผธเถะหาบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะเราจะรู้ว่ามันเป็นการหาความทุกข์กันนั่นเองนี่คือซัา สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องที่ทำให้พระพุทธเจ้าสละราชสมบัติพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันให้ความสุขกับเราไปตลอดได้ท่านก็เลยสละราชสมบัติสละความสุขทาง ลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลื่นกายแล้วก็ออกบวชเพื่อที่จะไปหาความสุขเอกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียง ก, ก, กลิ่นรสผลพระหลังจากที่ทรงบําเพ็ญอยู่หกปีรักษาศีลของนักบวชฝึกสมาธิทำใจให้สงบสอนใจให้เห็น ให้เกิดสัมาทิฏฐิตลอดเวลาให้เห็นว่าการมีความอยากนี้เป็นความทุกข์และสิ่งที่อยากได้ก็เป็นความทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่าเราไม่สามารถบังคับให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลานี่คือปัญญาถ้ามีสมาธิมีปัญญามีศีลใจก็จะสงบ ใจก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องหารูปเสียงกลิ่นรสผลพระมาให้ความสุขกับใจนี่คือการตัดสร่ของพระพุทธเจ้าทรงตัดสร่วิธีที่จะทำให้เกิดความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดความสุขที่ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย ความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะนี้มันจะทำให้เรากลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆเพราะว่าความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสความอยากที่จะมีลาบยศสรรเสริญนี้มันจะไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันอยู่ที่ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้ว ถ้าเรายังมีความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะอยู่เราก็จะกลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะเราจะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่เราจะได้ใช้ในการหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะมาเสพกันมาให้ความสุขกับเรากันแต่ถ้าเราเลิกหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน แล้วเราสามารถหาความสุขจากการบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้ใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะเราจะไม่มีความอยากที่จะหาลาบยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์ซ้ำซากอย่างที่เรากำลังทุกข์กันอยู่ เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี้มันไม่สุขหรอกอเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี้ทุกกันทุกคนแต่ถ้าเกิดแล้วมันก็หนีความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้จะหนีความแก่ความเจ็บความตายไปได้ก็ต้องไม่มาเกิดเท่านั้นและการจะไม่มาเกิดก็ต้องหยุดความอยากที่จะหาความสุขจากราบยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย การที่จะหยุดหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากตาหูจากรูปเสียงกลิ่นลดผลพภาได้ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขการหาราบยศสรรเสริญการหารูปเสียงกลิ่นลดผลถภา t h i เป็นทุกข์เพราะว่าความสุขที่ได้มันเป็นความสุขชั่วคราวไม่แน่นอนเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับควบคุมบังคับมันไม่ได้เป็นอนัตตา ก็คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เ, ออเราจะได้สัมม า, มมาทิฏฐิอันนี้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือถ้าเรามีวาสนามีบุญอาจจะได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่ออาชาตินี้เราไม่มีโอกาสเราพบได้ก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคาสอนและภระ อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะสอนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทุกประการยังไม่แตกต่างกันกับการได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือได้พบกับพระธรรมคําสอนได้พบกับพระอริยสงสาวกก็เหมือนกับได้พบกับพระพุทธเจ้าเพราะเราจะได้ยินได้สัมมาทิฐิเหมือนกันเราจะได้ยินได้ฟังว่า ราบยศสารเสรินรูปเสียงกลิ่นรสผลถภะนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขอย่าไปหามันอย่าไปอยากได้มันให้เลิกมันเลิกไปหามันอย่าไปยุ่งกับมันให้อยู่แบบไม่มีราบยศสารเสวญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลถภะจะดีกว่าการที่เราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขเราก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเราจึงต้องมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญากันเพราะตอนนี้เรายังไม่มีศีลสมาธิปัญญากันนั่นเองเรายังจึงยังไม่มีความสุขทางใจเราจึงยังต้องไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะกันอยู่เราจึงต้องมาทุกมาวุ่นวายใจกับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะกัน แต่ถ้าเราพยายามที่จะทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจของเราให้กับการบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพอเรามีศีลสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นมาความสงบก็จะปรากฏขึ้นมามากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาครบบริบูรณ์ตลอดเวลาใจเราก็จะมีความสุขตลอดเวลา เพราะใจเราจะสงบตลอดเวลาใจเราจะสงบได้ก็ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญานี้ <c oughs> เป็นผู้ทำใจของเราให้สงบทำใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดจากความไม่สงบ <c oughs> เกิดจากความอยากต่างๆ <c oughs> ดังนั้นการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าเราต้องการที่จะเลิก หาความทุกจากลาบยศสารเสริญหาความทุกจากรูปเสียงกลิ่นรสปวทพะเราก็ต้องมาหามาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาการบำเพ็ญก็บำเพ็ญการเป็นขั้นบันไดศีลนี้เป็นเหมือนบันไดขั้นแรกสมาธินี้เป็นบันไดขั้นที่สองปัญญานี้เป็นบันไดขั้นที่สามออจะสนับสนุนกันออถ้าเรา ไม่บําเพ็ญจากขั้นที่หนึ่งขึ้นไปเราจะไม่สามารถขึ้นไปถึงขั้นที่สูงคือขั้นปัญญาได้ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นปัญญาเราต้องผ่านขั้นสมาธิก่อนก่อนที่เราจะผ่านขั้นสมาธิถึงขั้นสมาธิได้เราต้องผ่านขั้นศีลก่อนเพราะพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าอศีลนี่แหละจะเป็นผู้สนับสนุนสมาธิให้มีพลังให้มี ประโยชน์ให้มีกําลังแล้วสมาธินี่แหละจะเป็นผู้สนับสนุนปัญญาให้มีกําลังให้มีพลังแล้วปัญญานี่แหละที่จะสนับสนุนทําใจของเราให้สงบทําใจของเราให้มีความสุขตลอดเวลาดังนั้นการบําเพ็ญเราจึงต้องบําเพ็ญเป็นขั้นเป็นตอนไปเหมือนกับการศึกษาในโรงเรียน ก่อนที่เราจะเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้เราต้องเรียนชั้นมัธยมก่อนก่อนที่เราจะเรียนชั้นมัธยมได้เราก็ต้องเรียนชั้นประถมก่อนก่อนที่เราจะเข้าชั้นประถมได้เราก็ต้องเรียนชั้นอนุบาลก่อนนี่ก็เป็นขั้นบันไดเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้ขั้นมหาวิทยาลัยเลยพอเริ่มต้นจะเข้าโรงเรียนก็ไปสมัครเรียนที่มหวา jadi, วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเขาก็จะไม่รับเรา เพราะเขาเห็นว่าเราไม่มีความสามารถที่จะเรียนได้นั่นเองฉนันใดการที่เราจะปฏิบัติปัญญาเลยโดยที่เราไม่มีศีลไม่มีสมาธินี้ย่อมเป็นไปไม่ได้นั้นเราต้องมาตรวจ ด, ดูตัวเราก่อนว่าเรารักษาศีลได้หรื อ, อยังเรานั่งสมาธิทาใจให้สงบนิ่งได้หรื อ, อยัง ก่อนที่เราจะไปทางปัญญาเราต้องมีสมาธิก่อนก่อนที่จะมีสมาธิเราก็ต้องมีศีลก่อนดังนั้นเราถ้าเราจะเริ่มต้นบําเพ็ญเราต้องเริ่มต้นที่ศีลก่อนตอนต้นก็ศีลห้าก่อนเอตอนนี้เรามีศีลห้าหรือยังถ้ามีแล้วเราก็ต้องเพิ่มจากศีลห้าเป็นศีลแปดถ้าเรามีศีลแปดแล้วเราจะ มีกำลังที่จะฝึกสมาธิได้ถ้าเรามีเพียงศีลห้านี้เรายังมีกำลังไม่พอยังมีเวลาไม่พอที่จะมาฝึกสมาธิกันเพราะศีลห้าจะไม่ห้ามให้เราไปเที่ยวกันไม่ห้ามให้เราไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ให้ไม่ห้ามให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมา ฝึกสมาธิมาทำใจให้สงบกันถ้าเราไม่รักษาสิล8แปกันถ้าเรารักษาสิล8แปนี่เราก็จะไม่ไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราก็จะได้มีเวลามาฝึกสติเพราะการจะทำใจให้สงบเป็นสมาธิเราต้องมีสติเป็นเครื่องมือ ส, สตินี้จะเป็นผู้ที่ ทำให้ใจนิ่งทำให้ใจสงบเหมือนกับเบรกของรถยนต์รถยนต์จะจอดได้จะนิ่งได้จะต้องใช้ต้องเหยียบเบรกถ้าไม่เหยียบเบรกรถจะไม่จอดรถจะไม่นิ่งรถจะวิ่งไปเรื่อยๆใจก็เหมือนรถยนต์ที่คิดไปเรื่อยถ้าต้องการให้ใจนิ่งใจต้องหยุดคิดการจะหยุดคิดก็ต้องมีสติเป็นผู้หยุดสติก็คือ ถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องสร้างสติกันขึ้นมาวิธีสร้างสติก็คือให้เราเราลึกอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นให้เราเราลึกยิู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้ก็จะทำให้เราเกิดมีสติขึ้นมาแล้วมันก็จะทำให้เราหยุดความคิดต่างๆได้พอหยุดความคิดต่างๆได้ใจก็จะนิ่งจะสงบเป็นสมาธิขึ้นมา แล้วก็จะมีความสุขมีกําลังที่จะไปสนับสนุนปัญญาในการที่จะรักษาใจให้สงบไปตลอดเวลาสิ่งที่จะทำให้ใจเราสงบไปตลอดเวลาไม่ใช่สติสตินี้ทำให้ใจเราสงบได้เป็นพักๆเวลาที่เราไม่ใช้สติความสงบก็จะหายไป ถ้าเราอยากจะให้จิตสงบไปตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องใช้สติมาควบคุมมันเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาทําลายสิ่งที่จะมาทําลายความสงบสิ่งที่จะมาทําลายความสงบก็คือความอยากต่างๆความอยากสามประการที่มีอยู่ในใจคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลประะเรียกว่ากามตัณหา ความอยากได้ลาบยศสรรเสริญเรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญไม่สูญเสียร่างกายไปเรียกว่า <c oughs> วิภาวะตัณหาเราต้องกำจัดความอยากทั้งสามประการนี้ให้ได้ถ้าเรากำจัดมันได้ด้วยปัญญาเพราะเราจะเห็นว่าการทำตามความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์นั่นเอง ปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิที่เราได้ได้กล่าวถึงในเบื้องต้นเราต้องเห็นว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่เราอยากได้นี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้เราก็จะหยุดความอยากทั้งสามประการนี้ได้ทุกครั้งเวลาเกิดความอยากได้ลาบยศสรรเสริญมีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เราก็ต้องหยุดมันให้ได้ถ้าเราหยุดมันได้เราจะไม่ทุกข์เราจะไม่ต้องไปทุกข์กับลาบยศสรเสริญไม่ต้องไปทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะไม่ต้องไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายและเราก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดนี่คือความสุขใจที่จะสุขใจอย่างตลอดเวลา คือการใช้ปัญญาแต่ก่อนจะใช้ปัญญาได้เราต้องมีสมาธิสนับสนุนให้ใจสงบในเบื้องต้นก่อนให้เห็นคุณค่าของความสงบว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะเกิดตัณหาความอยากต่างๆโผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะมาทําลายความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะเวลาเกิดความอยากใจจะหายจากความสงบแล้วใจจะเริ่มสั่นขึ้นมาเหมือนน้ําในท้องทะเลที่ พอมีลมพัดขึ้นมาก็จะทำให้ลูกขึ้นต่างๆปรากฏขึ้นมาในท้องทะเลเราต้องเห็นโทษของความอยากว่าจะทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราสัน่นและสิ่งที่เราอยากได้มันก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลาถ้าเราเห็นด้วยปัญญาทุกครั้งเวลาเกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยาก ได้ลาบยศสรรเสริญความอยากไม่ให้ลาบยศสรรเสริญเสื่อมจากเราไปความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะถูกกําจัดไปพอความอยากทั้งสามประการนี้ถูกกําจัดไปหมดแล้วใจก็จะไม่มีวันสัน่นอีกต่อไปเหมือนกับท้องทะเลถ้าไม่มีลมพัดเนี่ยก็จะไม่มีลูกคลื่นน้ําในท้องทะเลก็จะสงบไปตลอดเวลา น้ำในท้องทะเลที่มันมีลูกคลื่นเพราะมันมีลมพัดอยู่ทำให้เกิดคลื่นขึ้นมาฉันใดจิตของเราที่มันสั่นที่มันไม่สงบก็เพราะมีความอยากแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจเราสั่นและสิ่งที่เราไปหาด้วยความอยากก็จะทำให้เราสั่นให้เราทุกข์เราก็จะเลิกความอยากต่างๆได้หมด พอไม่มีความอยากในใจแล้วใจเราก็จะสงบไปตลอดอจะสุขไปตลอดจะอิ่มไปตลอดจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเพราะความอยากในรูปเสียง ก, กลิ่นรสผลพระก็ไม่มีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญก็ไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่มีอันนี้เป็นการทํางานของปัญญา ของสมาธิฏฐินีแต่ก่อนที่เราจะใช้สมาทิฏฐิได้เราต้องมีสมาธิมีความสงบมีความสุขใจก่อนเราจึงจะมีกําลังที่จะสู้กับความอยากได้ถ้าเราไม่มีความสุขใจเพราะเกิดความอยากนี้เราจะต้องไปทําตามความอยากทันทีเพราะการทําตามความอยากมันให้ความสุขกับเราในตอนต้นนั่นเองแต่มันจะเป็นความสุขที่จะทําให้เราต้องดิ้นต้องหาอยู่เรื่อยๆ แล้วเวลาใดที่เราไม่สามารถหาได้มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เราต้องใช้สัมมาทิฏฐิใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นความทุกข์ที่จะตามมาถ้าเราไปหาสิ่งที่เราอยากได้กันเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่แน่นอนมีเกิดมีดับเราไปสั่งให้มันไม่เกิดไ ม, ไม่ดับไม่ได้มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันต้องดับ ไปห้ามมันไม่ให้ดับไม่ได้ถ้ามันยังไม่เกิดไปสั่งให้มันเกิดมันก็ไม่เกิดนี่เกิดเรื่องของมีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิที่พวกเราควรที่จะมาศึกษามาหมั่นซอนใจกันเพื่อที่เราจะได้มาใช้หยุดความอยากกันแต่ถ้าเรายังไม่สามารถหยุดความอยากได้ด้วยปัญญาเราก็ต้องหยุดมันด้วยสติก่อน การที่เราจะหยุดความอยากได้ด้วยสติเราก็จะต้องมีเวลามาปฏิบัติเราก็ต้องมีศีลแปดขึ้นไปก่อนเราต้องรักษาศีลแปดขึ้นไปก่อนรักษาศีลแปดได้เราก็จะได้มีเวลามาบาเพ็ญสติมาเจริญสติมาบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่อย่างต่อเนื่องมาควบคุมความคิดมาหยุดความคิดกันพอเราหยุดความคิดได้แล้วเราก็จะมีความสุข พอมีความสุขเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะสู้กับความอยากได้เราก็ไม่ต้องทําตามความอยากได้เพราะเราไม่เดือดร้อนเวละเราไม่ทําตามความอยากเราก็ยังมีความสุขเพราะเรามีสมาธิมีความสงบนี่คือเรื่องของการสร้างสัมมาทิฏฐิสร้างความเห็นที่ถูกต้องในเบื้องต้นเราก็ต้องสร้างด้วยการไปฟังเทศฟังธรรมกัน พอเราไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้มีพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกเท่านั้นที่รู้สัมมาทิฐิเราก็ต้องมาฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมคำสอนจากพระอริยสงฆ์สาวกพอเรารู้แล้วเราก็จะได้เอาไปปฏิบัติเราต้องไปสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ หยุดความอยากต่างๆได้ถ้าเราไม่มีศีลสมาธิปัญญาเราจะไม่สามารถหยุดความอยากต่างๆได้เราก็ยังจะต้องไปห า, าความทุกข์กันต่อไปเพราะเรายังไม่สามารถเอาสมาทิทฐิมาสอนใจได้ใจยังต้องไปตามความความเห็นที่ไม่ถูกต้องต่อไปคือไปหาความทุกข์จากลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิก่นรสทศภาัน ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้มีสัมมาทิฏฐิคอยเตือนใจสอนใจให้เราหยุดหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิก่นรสโผฏฐพากันแล้วให้เรามาหาความสุขจากการทําใจให้สงบด้วยการบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญากันแล้วเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย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 อิติตงปฏตติตังตุ მ หังคิปะเมวะสะมิจโตสพเภประเอนโตสังกะปาจันโทปนะระ y a t h ามณิโชติระโสยธาสัพพีตโยเวห์จันโตสัพพะโรโขเวนะสะโตมาเตภวตวันตราโยสุขีธีคายุโกภวะ อาพิวาทานสีฤทนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมาวาทานติอายุวันโสุขังภาลางังอันละดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถามไปได้จนถึงเวลาที่เราเลิกพอหลังจากเลิกแล้วก็ขออนุญาตหยุดถามถ้ายังไม่มีใครถามก็จะให้ทางบ้านที่ติดตามถ่ายทอดสดที่ส่งคำถามเข้ามาได้ถามไปก่อนวันนี้ทางเ c e b o o k เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเ a c e b o o k อตอนช่วงพ่าจาร์เทศอยู่ที่สา0รอยี่สิบนะครับแล้วก็ y o u t u ู e อยู่ที่แปดสิบห้านะครับครับ ทาเคเบิลก็ยังไม่พร้อมที่จะถ่ายทอดใช่ไหมยังครับคําถามแรกจากทาง facebook live นะครับจากคุณสุวิมลครับถ้ากายร้อนจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้กายเย็นต้องบริการพุทโธพุทโธใช่ไหมเจ้าคะ่ะคือเรื่องกายร้อนนี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการภาวนาการภาวนานี่มันเรื่องของใจ ถ้าใจร้อนเนี่ยถ้าบริกรรมพุโทโธพุโทโธใจจะเย็นถ้ากายร้อนก็ต้องไปแช่น้ำเย็นมันคนละเรื่องกันกายนี่เป็นเรื่องของทางร่างกายไม่เกี่ยวกับการภาวนากายร้อนก็ถ้าเป็นไข้ก็ต้องหายาหา ย, หายาลดไข้กินหรือไม่เช่นนั้นก็ปล่อยให้มันหายไปเองร่างกายมันก็ไม่เที่ยง อาการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายมันก็ไม่เที่ยงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเองเดี๋ยวมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็หายได้เป็นไข้แล้วเดี๋ยวมันก็หายได้ดังนั้นก็มันไม่เกี่ยวกับเรื่องการภาวนาเรื่องของร่างกายนี่มันต้องหาหมอหายารักษาแต่ถ้าใจร้อนเนี่ยต้องใช้พุทโธพุทโธจะทําให้ใจเย็น คำถามต่อไปจากคุณลือชาครับปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรมะอ่านหนังสือธรรมะจะเหมือนกับปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาเองในการทําสมาธิไหมครับก็ปัญญาเดียวกันเนะ่ยที่เราต้องพิจารณาในเพื่อมาให้เราไม่ลืมเรารับปัญญาจากพระพุทธเจ้ามาแล้วเราก็ต้องเอามารักษาให้มันอยู่ในใจเราถ้าเราฟังธรรมแล้วเราไม่เอามาพิจารณาต่อ เดี๋ยวมันก็ถูกเรื่องอื่นเรื่องอื่นมากลบไปหมดนะงั้นพอเราได้ฟังทำแล้ววันนี้เราได้ฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในราบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเอาไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมนะครับแล้วต่อไปพอเรามีสมาธิเราก็จะมีกําลังที่จะหยุด ความอยากในราบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นลดผลตภัพฑได้เพราะเรารู้ว่ามันเป็นการไปหาความทุกข์แต่ถ้าเราไม่เอามาพิจารณาเดี๋ยวเราลืมพอเราลืมแล้ว เ, เกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะไปคิดว่าเป็นสุขเหมือนเดิมงั้นเราต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยว่ามันเป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขแต่ถ้าเราพิจารณาแล้ว เรายังหยุดความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสมาธิเราก็ต้องไปฝึกสมาธิกันทำใจให้สงบกันพอเรามีสมาธิแล้วแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาเราเอาความรู้คือปัญญาที่พระเจ้าสอนเราว่าความอยากต่างๆเป็นความทุกข์เราก็จะหยุดมันได้งนั้นการรับปัญญาจากพระพุทธเจ้าจากการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เป็นการ เป็นการนับจากพระพุทธเจ้าเป็นการเอาของที่เราไม่มีในใจเราเอามาใส่ใจเราทีนี้มันจะอยู่ในใจเราได้นานหรือไม่นานก็อยู่ที่เราจะรักษามันหรือไม่รักษามันถ้าไม่รักษามันพอเข้ามาในใจแล้ววันนี้แล้วก็ลืมไม่ไปคิดถึงมันอีกมันก็จะหายไปถ้าเราอยากจะให้มันอยู่ในใจเราเราก็ต้องหมั่นคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าคิดอย่างนี้เรื่อยๆมันก็จะไม่ห่างจากใจเราพอเกิดความอยากเราก็จะได้เอาปัญญานี้มาหยุดมันถ้าหยุดมันไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสมาธิเราก็ต้องไปฝึกสมาธิกันไปเจริญสติไปพุทโธพุทโธกันไปนั่งทําจิตให้รวมเป็นสมาธิพอจิตรวมเป็นสมาธิแล้วพอเกิดความอยากแล้วปัญญาสอน ว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะหยุดมันได้คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณอิทิกรครับกระผมปฏิบัติสมาธิมาได้สักระยะแล้วครับแต่จิตยังไม่พัฒนาเข้าสู่สมาธิเลยได้ถึงแค่ขั้นคณิกะสมาธิเท่านั้นเอง<ม>พระอาจารย์พอจะแนะนำในการปฏิบัติอย่างไรบ้างครั บ, บเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการปฏิบัติต่ตตอไปครับก็ต้องปฏิบัติให้มากเท่านั้นเอง ที่เราได้แค่นี้เพราะว่าเราปฏิบัติน้อยเหมือนกับทำงานเนี่ยถ้าเราทำงาน เ, เดือนละวันเนี่ยรายได้มันก็จะน้อยถ้าเราทำงานทุกวันรายได้มันก็จะมากยั้นสมาธิของเรามากหรือน้อยก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราถ้าเราปฏิบัติบ่อยๆฝึกสติบ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆสมาธิมันก็จะสงบขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ คำถามต่อไปจากคุณรัตนาครับการที่เราหมั่นฟังธรรมแต่ยังไม่สามารถนําไปประยุกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความโกรธขอคําชี้แนะด้วยค่ะก็เพราะว่าเราไม่มีสติที่จะทําให้ใจสงบใ ห, ให้ใจหยุดความโกรธได้นั่นเองเราต้องมาฝึกสติกันมาเจริญสติเช่นคาบริกรรมพุทโธให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ บ, บ่อยๆอยู่เรื่อยๆ ทั้งวันเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดให้มันคิดอยู่แต่คำว่าพุทโธพุทโธไปแล้วเวลานั่งสมาธิใจเราจะนิ่งจะสงบจะมีความสุขจะมีพลังแล้วจะทำให้เราไม่มีความอยากได้อะไรพอเราไม่มีความอยากได้อะไรความโกรธก็จะไม่เกิดความโกรธเกิดจากความอยากพออยากแล้วไม่ได้ดังใจก็โกรธขึ้นมา อันนี้คือวิธีแก้ความโกรธอย่างแท้จริงต้องแก้ที่ต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากวิธีจะแก้ความอยากก็ต้องทําใจให้สงบต้องใช้สติจเจริญพุทโธพุทโธไปแล้วก็ใช้ปัญญาเวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาหยุดมันต้องใช้สติใช้ปัญญาสองอย่างถึงจะสามารถหยุดความอยากได้อย่างถาวร แล้วความโกรธต่อไปก็จะไม่มีอีกต่อไปคำ <c oughs> ถ, ถามต่อไปจากคุณนันทนาครับ <c oughs> กลาบนะมัสการพระ อ, อาจารย์เจ้าค่ะดูตัวอย่างจากพระโมคคัลลานะแม้จะปฏิบัติธรรมจนสำเร็จพระ อ, อรหันต์แต่ก็หนีกรรมไม่พ้นถูกตีจนตายทำไมกรรมดีไม่ช่วยเลย <c oughs> หรือเจ้าคะแล้วเราจะปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร <c oughs> กรรมดีก็ต้องตายอยู่ดีมันความตายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกรรมดีหรือกรรมชั่วมันเป็นผลของที่เกิดจากการเกิดแต่มันเป็นการตายครั้งสุดท้ายของพระโมคคัลานท่านจะกลับไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเนี่ยกรรมดีของท่านทำให้ท่านไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อท่านไม่กลับมาเกิดกรรมชั่วต่างๆก็ไม่สามารถส่งผลให้กับท่านได้อีกต่อไปแต่กรรมชั่วครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้าย เพราะว่าท่านยังเกิดอยู่เมื่อท่านเกิดท่านก็ต้องตายไม่ตายด้วยกรรมดีก็ต้องตายด้วยกรรมชั่วเพราะว่าความตายมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ทำความชั่วมาก็ตายเหมือนกันทำความชั่วมาก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของความตายนี้มันหนีไม่พ้นไม่ว่าจะทำกรรมดีแล้วไม่ทำกรรมดีทำกรรมชั่วแล้วไม่ทากรรมชั่วมันก็ต้องตายอยู่ดีคำถามต่อไปจากคุณนันทิดาครับ สำหรับผู้เริ่มสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติควรนั่งสมาธิวันละสักประมาณนานเท่าใดคะก็มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะวันไหนหยุดนันทา ง, งานก็ลองนั่งมันทั้งวันดูเลยมันไม่มีข้อห้ามนะเวลาหาเงินนี่มนไม่ไม่มีข้อห้ามหาใช่ไหมถ้าหาเงินได้นี่บางทีหาทั้งวันทั้งคืนก็หาไม่หยุดไม่หย่อนนะ อันนี้ก็เหมือนกันสมาธินี้มันมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองทำไมเราไปขี้เกียจหากันกลับไปขยันหาขยะคือเงินทองกันที่จะมาทำให้เราต้องทุกข์กับมันอีกหาสมาธิแล้วไม่มีความทุกตามมามีแต่ความสุขไม่หากันแล้วยังไม่ต้องมาถามว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ก็ทำเท่าที่เราจะทำไหวก็แล้วกันพูดง่ายเวลา ที่จะปฏิบัติเนี่ยคำถามต่อไปจากคุณมอมรรัฐครับถ้าเพียงแต่ภาวนาหรือกล่าวพุทโธเ ท, ทวดาก็จะสาธุอมนุษย์พูดผีก็จะเกรงกลัวไม่ทำอันตรายจริงหรือเปล่าคะอ๋อไม่จริงหรอกมันไม่เกี่ยวกันอีก อ, อย่างหนึ่งเขาคงจะไม่มาฟังเราหรอกก็ไปหาความสุขอย่างอื่นจากการมารอฟังเราพุทโธไม่ มาสวดบ่นเหมือนเราไม่รู้นานๆจะสวดสักครั้งหนึ่งเขาเมเขาก็เหมือนเราเขามีจิตใจที่มีความอยากหาความสุขเหมือนกับเราแต่เขาไม่มีร่างกายเขาเลยไปหาความสุขจากรูปเสียงทิพลุกทิพเสียงทิพกลิ่นทิพนั่นเองเขาก็ไปหาความสุขของเขาเขาไม่มีเวลาจะมานั่งรอเราสวดเพื่อมาสาทุเราอะไรเราทาำถามต่อไปจากคุณอรพิน์ครับการที่มีคด การที่มีคนคิดในทางลบกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นบาปไหมคะมันก็จะทำให้เขาไม่ได้รับประโยชน์เท่านั้นเองถ้าก็เห็นว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ดีเขาก็จะไม่เข้าหาเมื่อเขาไม่เข้าหาเขาก็จะไม่ได้รับสิ่งที่ดีจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาก็จะขาดโอกาสเสียโอกาสไปเช่นเจอพระพุทธเจ้าแล้วกลับไม่สนใจไม่เข้าหา กลับมีอาคติอิจฉาพระพุทธเจ้าหรือว่าไม่พอใจในตัวพระพุทธเจ้าเเขาก็จะไม่เข้าหาพระพุทธเจ้าเขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์ได้สิ่งที่ดีที่พระเจ้าจะมอบให้กับเขาได้ตอนนี้คําถามหมดครับแต่ไม่บา ป, บาปก็ต่อเมื่อไปทำร้ายไปทําร้ายไม่ว่าจะเป็นพระหรือไม่หรือคนธรรมดาถ้าไปทําร้ายถึงบาปคือไปทําผิดศีลห้าข้อ ไปฆ่าเขาไปลักทรัพย์ของเขาเอไปประพฤติผิดประเวณีกับสามีภรรยาของเขาอไปโกหกหลอกลวงเขาอันนี้ถึงเรียกว่าบาปแต่เพียงแต่ไม่ชอบขี้หน้านี้ไม่บาปไม่ชอบขี้หน้าก็ไม่ต้องคบกันเท่านั้นเองเมื่อไม่คบกันก็จะไม่ได้คุยกันไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่คนที่เราไม่ชอบขี้หน้าเขาจะบอกเราก็จะไม่ได้ยินได้ฟังธรรม ก็จะไม่อยากจะฟังเสียงของคนที่เราไม่ชอบแต่ถ้าเราชอบเราก็จะได้เข้ามาฟังเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วเราก็จะได้เกิดความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะได้อมีความสุขเพราะเราจะได้กําจัดเหตุที่ทําให้เราทุกข์กันเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราออ ไม่ชอบใครนี้เราก็ควรจะใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าเราไม่ชอบเขาเพราะอะไรเขาไม่ดีตรงไหนถ้าเขาทำบาปทำกรรมไม่ชอบเขาอย่างนี้ก็ก็ดีเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับคนที่ชอบทำบาปเดี๋ยวเขาก็จะชวนเราไปทําบาปได้ถ้าเราไปคบกับคนที่ชอบดื่มสุรายาเมา เดี๋ยวเขาอยากจะดื่มชวราเขาไม่มีเพื่อนเขาก็ชวนเราไปแต่เรารู้ว่าการดื่มชวรายาเมาไม่ดีเราไม่ชอบคนดื่มชวราอันนี้ก็ไม่เสียหายตรงไหนคาว่าไม่ชอบไม่ได้หมายคำว่าเราต้องไปทำร้ายเขาหรืออะไรเป็นแต่ว่าเราอย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาอย่าไปใกล้ชิดกับเขาเท่านั้นเองเพราะเขาจะมีอิทธิพลกับเราเขาจะชวนเราไปทานะในสิ่งที่เขาชอบ ถ้าเขาชอบเดินโซลาเขาก็จะชวนเราไปเดินโซลาเขาชอบเที่ยวกลางคืนเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวกลางคืนเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันเราก็จะได้แต่สิ่งที่ไม่ดีจากเขาในทางตรงกันข้ามถ้าเราพบกับคนดีเขาก็จะชวนเราไปทําสิ่งที่ดีชวนเราไปวัดชวนเราไปฟังเทศฟังธรรมชวนเราไปปฏิบัติธรรมถ้าเราไปกับเขาเราก็จะได้ สิ่งที่ดี <Yeah. S 1> อย่างั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราชอบบัณฑิตอย่า yeah. แล้วก็ให้ไม่ชอบคนพาลคือคนโง่ให้ชอบคนฉลาดคนดีอย่าไปชอบคนคนโง่คนไม่ดี yeah. ถ้าเราครบกับคนดีเขาก็จะดึงเราไปในทางที่ดีถ้าเราครบกับคนไม่ดีเขาก็จะดึงเราไปในทางที่ไม่ดี <Yeah. S 1> นี่คือมงคลอย่างยิ่งของชีวิต คือการรู้จักคบคนคบคนดีคนคนที่เก่งกับเราฉลาดกับเราได้ยิ่งดีใหญ่เพราะเขาจะดึงให้เราฉลาดมากขึ้นถ้าฉลาดเท่าเรามันก็เขาก็จะไม่สามารถทําให้เราฉลาดกว่ากว่าก่าที่เราเป็นอยู่ได้อย่างถ้าเราสามารถหาคนที่ฉลาดกับเราเก่งกับเราได้พยายามคบกับเขาเหมือนเด็กนักเรียนที่เรียนหนังสือเนี่ยถ้าเขาคบกับเพื่อนที่เรียนเก่งกว่าเขาจะได้รับประโยชน์ เพราะเพื่อนที่เก่งกว่าจะเป็นครูเป็นอาจารย์เขาได้จะสอนเขาได้ถ้าไปคบกับคนที่เขาโง่กว่าเขาก็จะต้องมาพึ่งเราเราก็จะต้องเสียเวลาสอนเขา <c oughs> แต่ถ้าเรามีความเมตตก็ไม่เป็นไรแต่เราจะไม่ได้รับประโยชน์จากเขาเราจะได้ก็คือความเมตตาความเสียสละเท่านั้นเองแต่เราจะไม่ได้พัฒนาตัวเราให้สูงขึ้นดีขึ้น เราจเจ้าท่านให้เลือกวิธีเลือกคนให้คิดอย่างนี้ถ้าเราไม่สามารถหาคนที่ดีกว่าเราเก่งกว่าเราได้ก็อย่าไปคบกับใครดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ขาดทุนคําถามต่อไปจากคุณโอครับคําถามฝากถามค่ะเวลามีคนป่วยก็ไปเยี่ยมพอกลับมาถึงบ้านคนป่วยที่ไปเยี่ยมก็เสียชีวิตเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยค่ะ โยมคิดเพียงแต่ว่าคงไม่เกี่ยวกับโยมคนจะเป็นคนจะตายก็เป็นเรื่องธรรมชาติคิดแบบนี้ถูกไหมคะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่งั้นเราก็ไปเยี่ยมคนที่เราเกลียดสิมันจะได้ตาย <c oughs> <c oughs> ถ้าเราวิเศษถ้าไม่ชอบคนไหนก็ไปเยี่ยมก็เลย <c oughs> เอาไปเยี่ยมเขาเพอกลับมาบ้านเขาก็ตายเลย <c oughs> ตาตาม ต, ต่อไปจากคุณนันทนาครับ ตอนเรานั่งสมาธิพอรู้ว่าใจสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วทําไมเกิดอาการง่วงนอนมากเลยหลับทุกหลับทุกคืนเจ้าค่ะจะแก้อย่างไรดีคะเพราะสติเลอ่อนเนี่ยสติหมดกําลังพอหนึงใจให้สงบปั๊บมันก็ไม่มีกําลังที่จะพระคับประคองให้มันตื่นมันหมดกําลังมันก็เลยหลับไปก็พยายามฝึกสติให้มากขึ้น มันฝึกสติให้บ่อยขึ้นอก่อนจะมานั่งสมาธินาในกายยามันพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเราไปเวลาจิตสงบก็จะไม่ง่วงถ้ามันสงบจริงมันจะไม่ง่วงมันจะตื่นแสดงว่ายังไม่สงบจริงถ้าสงบจริงแล้วมันจะตื่นจะตื่นเต้นจะจะดีใจจะมหัาสัจ์ใจคำ ถ, ถามต่อไปจะคุณกนกวันครับการเดินการเดินจงกรมกับการนนะั่งสมาธิ อา น, นิสงส์งแตกต่างกันไหมคะการเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิมันก็ต่างกันตรงที่ว่าเวลาเดินจงกรมนี่เราทําได้ก็คือแค่เจริญสติคือทําให้จิตตื่นให้มีสติแต่จะไม่สงบไม่รวมถ้าอยากจะให้จิตรวมเราต้องนั่งเฉยๆเพราะว่าเวลาที่เราเดินนี่เราจะจิตยังต้องทํางานจิตยังต้องสั่งร่างกายให้เคลื่อนไหวอยู่แต่พอเรานั่งเฉยๆนี่จิตก็ไม่ต้องทํางานแล้ว จิตก็สามารถปล่อยร่างกายได้จิตถึงจะเข้าสู่ความสงบได้ถ้ายัางติดอยู่กับร่างกายก็จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ย mm hmm. ันถ้าเราอยากจะเข้าเข้าเข้าไปในสมาธิเข้าไปในความสงบเราต้องนั่งเฉยเฉยหรือยืนเฉยเฉยถ้าเดินก็ต้องยืนเฉยเฉยบางทีก็บางคนเขาเดินจงกรมแล้วพอมีจังหวะที่มันจะรวมเขาก็หยุด เดินพอหยุดเดินปั๊บมันก็รวมได้ในขณะที่เดินมันรวมไม่ได้คำ ถ, ถามต่อไปจะคุณสีเมืองครับเวลาลูกนั่งสมาธิและออกจากสมาธิแล้วจะกลับมานั่งอีกแต่ไม่ดิ่งเลยครับสติหมดเนี่ยก็ต้องพยายามพุทโธพุทโธขึ้นมาใหม่คำ ถ, ถามต่อไปจะคุณรือชาครับเวลาเราฟังธรรมะ ถ้าเรานั่งสมาธิไปด้วยโดยกำหนดรู้แค่ลมหายใจเข้าออกและฟังธรรมะโดยเข้าใจทุกรายละเอียดเป็นวิธีที่เหมาะสมหรือไม่ครับหรือเป็นไปไม่ได้ที่เราจะโฟกัสหลายเรื่องในทุกขณะจิตขอรับใช่คนอย่าเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าเราต้องการฟังธรรมเราก็อย่าไปสนใจกับลมเพราะการฟังธรรมนี้ก็เป็นการนั่งสมาธิไปในตัวอยู่แล้วเสียงธรรมก็ทาหน้าที่แทนการดูลมได้ งั้นอย่าไปเอาทั้งสองอย่างแล้วมันจะมันจะไม่ได้ใจมันจะวิ่งไปวิ่งมาระหว่างการฟังธรรมกับการดูลมหายใจเข้าออกต้องเอาเรื่องเดียวถ้าอยากจะดูลมก็ปิดเสียงธรรมไปเลยไม่ต้องฟังธรรมเพราะมันมารบกวนสมาธิการดูลมได้ถ้าจะเอาฟังธรรมก็อย่าไปดูลมตั้งใจฟังแล้วจะเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฐิขึ้นมา แล้วก็เกิดความสงบขึ้นมาด้วยคำถามต่อไปจากคุณจงศรีครับการทำทานรักษาศีลเป็นการสั่งสมบุญอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะก็เป็นบุญเหมือนกันอะบุญที่จะทำให้ใจเราสงบอะเพียงแต่ว่ากำลังของแต่บุญแต่ละขนาดนี้มีกำลังมากน้อยต่างกันทำทานนี้ก็จะมีกำลังน้อยกว่าการรักษาศีล การรักษาศีลก็มีกำลังน้อยกว่าการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิก็มีกำลังน้อยกว่าการใช้ปัญญาทาใจให้สบงบนี่มันก็เป็นขั้นบันไดที่เราจะต้องก้าวขึ้นไปเพราะมันเป็นความยากง่ายต่างกันไปทำทานก็ง่ายกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลก็ง่ายกว่าการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิก็ง่ายกว่าการเจริญปัญญา เราก็ต้องทำไปตามขั้นตอนเหมือนกับการเรียนหนังสือเราก็เรียนจากง่ายไปหายากอนุบาลง่ายกว่าปถมปถมก็ง่ายกว่ามัธยมมัธยมก็ง่ายกว่าอุดมศึกษาปริญญาตรีก็ง่ายกว่าปริญญาโทรปริญญาโทก็ง่ายกว่าปริญญาเอกแต่เราต้องผ่านแต่ละขั้นไปเราถึงจะมีกำลังคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณปุ๋ยฝ้ายครับ เรื่องการทําบุญค่ะถ้าเราทํากับพระที่ไม่ดีกับหรือกับคนที่ไม่ดีเราจะได้บุญหรือบาปไหมคะคือบุญในสองส่วนในการทําบุญบุญที่เกิดในใจเราคือความสุขใจอิ่มใจนี่ไม่ว่าทํากับใครก็ได้เหมือนกันถ้าเราทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์คือเราไม่ต้องการอะไรจากเขานอกจากการช่วยเหลือเขาให้เขามีความสุข จะทำบุญกับสุนัขจะทำบุญกับพระที่ไม่ดีจะทำบุญกับพระดีความรู้สึกในใจเหมือนกันถ้าเราปรารถนาให้เขามีความสุขจากการให้ของเราส่วนประโยชน์ที่คนที่เขาที่เราไปทำให้กับเขานี้ก็อยู่ที่ตัวเขาว่าเขาจะไปทำอะไรต่อถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็ไปทำความไม่ดีต่อถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็ไปทำความดีต่อมันก็จะได้ประโยชน์ ที่อาจจะกลับมาหาเราเช่นถ้าเราเขามีธรรมะเขาก็จะสอนธรรมะให้กับเราถ้าเขาไม่มีธรรมะเขามีแต่เรื่องโมหะเรื่องความหลงเขาก็จะสอนเรื่องความหลงให้กับเราอันนี้ต่างกันอยู่ที่บุคคลว่าเขาจะมีอะไรให้กับเราหรือว่าอยู่ที่เขาจะไปทำอะไรถ้าเราสนับสนุนคนดีเขาก็จะไปทำความดีต่อ ถ้าเราสนับสนุนคนไม่ดีเขาก็จะไปทาความไม่ดีต่อําถา ม, ถา ม, ถามต่อไปจากคุณกนกวันครับการตามดูจิตมีความหมายว่าอย่างไรใช่การดูอารมณ์หรือเปล่าคะก็คือการดูอารมณ์เนี่ยคือการดูจิตดูแล้วก็ต้องรู้จักปฏิบัติกับมันถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติมัน ถ้าไ ม, ม่ถ้าไม่มีสติก็จะไม่รู้จักวิธีหยุดมันเะงั้นก่อนที่เราจะดูจิตได้เราต้องมีสติมีปัญญาก่อนอเราถึงจะดูจิตได้อย่างมีประโยชน์เพราะการดูจิตนี้ก็เพื่อที่จะรักษาให้จิตสงบนั่นเองเพราะเพราะเวลาจิตสงบเราจะได้มีความสุขการดูจิตนี้ก็เพื่อสร้างความสุขภายในใจของเราเราต้องดูจิตแล้วก็ต้องรู้จักหยุด เวลาจิตมันพยศเราก็ต้องรู้จักหยุดมันเวลามันโกรธนี่ยเราก็ต้องรู้จักหยุดมันเวลามันโลภเราก็ต้องรู้จักหยุดมันถ้าเราหยุดมันไม่ได้ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตอนนี้คําถามหมดครับอา้าวนุอยากจะถามเลยเอา้าวส่งไปเปิดไมค์ก่อนพูดใกล้ๆหน่อยจะได้เสียงดังขออนุญาตค่ะคือ เมื่อเช้าฟังท่านเทศตอนปีห้าแปดอะคะ่ะเรื่องกรรมฐานสี่สิบเรื่องบอกว่าเวลาออกรถเนี่ยตอนตอนเกียร์หนึ่งอะไรเงี้ยคือโยมโยมจะไปอยู่วัดใสาหลวงปู่กงมาเนี่ยประมาณปีละสองครั้งตอนไปอยู่วัดสองอาทิต ย, ย์ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแต่พอกลับมาคอนโดที่กรุงเทพจะมีปัญหามากก็เลยคิดด้วยตัวเองว่าไอ้คำว่าพุตโทธโมสังคมมันอาจจะเอาไม่อยู่อะคะ่ะก็เลยคิดว่า จะใช้กรรมฐานอสุภะมารวมกันเลยอย่างเงี้ยจะมีวิธีปฏิบัติยังไงคะเวลาอย่างเช่นเดินจงกรมเนี่ยก็ให้เอาสร้างศพไปอยู่ตรงทางจงกรมหรือว่าให้คิดอสุภะอยู่ตรงหน้าเหมือนเหมือนเป็นกสินสีเขียวนย่างเี้ยคะ่ะเออให้มันคิดอยู่ในใจให้มันนึกนึกนึกถึงมันอยู่เรื่อยเรืยนึกถึงสร้างศพนึกถึงโครงกระดูกอยู่เรื่อย ต้องเห็นภาพว ล, ะละไม่ต้องเห็นก็ได้หรอนึกไปเหมือนกันให้มัอารมณ์นึงเลยเหรอเออให้มันเป็นอารมณ์อยู่ในใจไม่ให้เราไปคิดเรื่องเรื่องอื่นเท่านั้นเองอารมณ์นี่หมายถึงลักษณะเหมือนพวงคือไม่เราไปกังวลไปให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าจะคิดถึงเขาก็คิดถึงศพของเขาเองแล้วคือออย่างซากศพมันก็มีสิทธิ์ใช่ไหมคะเราต้องพยายามให้มันเป็นเปลี่ยนร่างเปลี่ยนไปแล้วแต่ได้ทั้งนั้นจะเอาร่างเดียวเอาเอาศพขั้นไหนก็ได้ ท่านเพิ่งตายใหม่ก็ได้ตายแล้วขึ้นอื่นก็ได้พองขึ้นมาก็ได้หรือเลเฟะก็ได้เหรือแห้งกรอบก็ได้เหลือแต่โครงกระดูกหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้แบบไหนก็ได้เนะ่ะสิบประการนี้ดูได้อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องวันนี้ท่านเทศก็คือเรื่องเรื่องปัญญาแล้วก็มีสมาธิที่ะค่ะอันเดียวกันไงสมาธิิกับปัญญาก็คืออันเดียวกัน แต่ถ้าเกิดว่าอย่างอย่างประสบการณ์ของโยมไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะคะก็คือมันคือโยมแค่มีความสงบมันไม่ถึงกับเป็นสมาธิแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องต่างๆที่คอนเฟิร์มว่ามันเป็นทุก์แน่นอนเนี่ยไม่ไม่ใช่ปันยาแต่โยมก็สามารถสอนสอนใจได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วจะจะรู้ได้ไงว่าอะไรที่คิดว่าตัวว่าอันนั้นคือ ปัญญาที่ไม่ไม่มาจากสมาธิมันเป็นสิ่งที่ถูกอะค่ะแต่ว่าก็ถูกถ้ามันวมเป็นทุกข์ก็ไม่ไปยุ่งกับมันไงอันนี้คือถูกแล้วก็ถ้าเรายังไปยุ่งกับมันอยู่ก็ไม่ถูกถ้าเราเห็นว่าเงินเป็นทุกข์แต่เรายังไปหาเงินยังอยากได้เงินอยู่มันก็ไม่ถูกอ๋อถ้าเกิดเรารู้เป็นทุกข์เราไปยุบไม่ยุ่งคือนั่นสิ่งคือสิ่งที่ถูกแล้วอ่าถ้าเรารู้ว่ามันทุกข์เรายังไปยุ่งกันแสดงว่ายังไม่ถูกเหมือนเรารู้ว่าเป็นยาพิษเรายังไปกินอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ถูก พอเรารู้ว่าเป็นยาพิษเราก็ไม่ไปกินมันละเพอมันทุกข์่ะขออนุ ญ, ญาตกลับไปเรื่องถ้าเกิดว่าเราจะใช้อกระสินที่เป็นสีแล้วผสมกับอสุภาษณนี่จะได้ไหมคะอ๋อมันต้องเรื่องเดียวอันเดียวผสมกันไปได้อสภาษอาอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกันได้ชดแทนกันได้แล้วอสุภาษไปบวกกับพู้โทษ ธ, ธรมโมสามโคได้ไหมคะไม่ได้แล้วควรจะเอาอย่างเดียวเป็นสายไป็หนึ่งไปเลย อ, อสุภาษก็สุภาษณ์ไป อ่าก็หมดเวลาพอดีมีคำถามมั้ยคำถามสุดท้ายครับอ้าวสุดท้ายก็มาคำถามสุดท้ายจากเฟซบุ o กครับจากคุณอุทัยครับถ้าอดีตชาติคนหนึ่งทําให้เราเสียใจชาตินี้ได้เจอกันอีกเราจะเป็นฝ่ายทําให้เขาเสียใจใช่ไหมคะนี่คือกฎแห่งกรรมหรือเปล่าคะพระอาจารย์ก็เป็นไปได้แต่ก็อยู่ที่เราอีกละถ้าเรากลายเป็นคนดีแล้วเราอาจจะไม่ทําให้ใครเสียใจก็ได้ อย่างถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเจอใครท่านก็จะไม่ทำให้ใครเสียใจเพราะท่านไม่มีความอาฆาตพยาบาทหลงเหลืออยู่ในใจแนละ้วท่านมีแต่ความเมตตาแต่ถ้าเรายังมีความอาฆาตพยาบาทอยู่เราก็า จ, จะทำให้เขาเสียใจได้อ่าแค่นี้แล้วนะก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ